พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสอนลูกหลานเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านอา้าวพระเนนจาติโยมนั่งประจำที่ มือ่อเองหลวงพอ่อจีววิวเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองให้ฟังพวกพระมาจากกรุงเทพมาจากวัดบวรวณฟังแล้วก็ต้องต้องเฮียนภาษาภาษาทางบ้านหลวงพอ่อคือกันเข้าไปอเมริกานะ ใ, หให้อเมริกาเวอาเล่าที่เว่าวใดจังใดเข้าต้องไปเฮียนภาษาอังกฤษอันนี้คือการนั่นแหะมาหาหลวงพ่อต้องฝึกคัด เงี้ยนภาษาหลวงพอ่อพอมาศึกษากับหลวงพ่อเด้คณะหนะลวงพ่อไปศึกษาต่างบ้านต่างเมืองหลวงพอ่อเขาจะบอกภาษานั่นขึ้นกันคนณะวอาว่า ว, ว, วได้ฟังว่าได้ก็ต้องหาลามฟังให้แปลให้ฟังอันนี้ให้ลูกหลานฝึกหัดฟังไว้เอาไป <c oughs> ต่างบ้านต่างเมืองเอาก็ต้องศึกษา ภาษาของเพลินเพลินเบาจังไดลีลาทำนองแต่โดยหมากมันฟังบุคอยท่านเด้เป็นอย่างพังพราท่านคือกันครับเขาไปบอกภาษาต่างเขาบอกต่างชาติต่างภาษานี่ยนะเขาก็บอกธรรมดาของเขานี่ยแหละว่ะมหาตัวเองฟังภาษาเขาบอกออกแปว่าเขาบอกว่ายเา พ, าพราะเนี่ยมันเขาบอกว่าย เขาเขาวาวทำธรรมชาติของเขาน่แต่ที่แทมันตัวฟังภาษาเขาบอออกไปนี่แค่กันน่ะลูกหลานได้ฟังภาษาหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยบอกภาษานั่ยว่ายโพดที่แทมันวกเข้าฟังบอออกไปกันเอาผู้ฟังออกกับบ่าวหลวงพ่อบอธรรมดาเน่น่ะเมื่อไหเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสาม ท่านว่าค่มพุทธศักรารสองพัาร้อยหาสบเก้เมื่อในทราบข่าวดนะพวกเจ้าอาวาตที่นางตอจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกชิดลูกหาที่เคยมาอยู่กับหลวงพอ่อหลายองค์ที่มามาือนี่ร่วมลวพระธรรมดสสี่สิบห้าองค์มานี่พระในวัดของเฮ้า เพิ่มาแจ้งข่าวรล่างานว่าหลวงตาสักหลวงตาสักแขวโง่ลไปว่มนหลวงตาสักแขววงมัแขวทั้งนาแขวทั้งนามดลไปเพิ่นมรนาภาพเมื่อว้า น, นี่พราท่านแต่ก็ยังพอท่านถามในรายละเอียดบางองค์ก บ, บาลเพิ่นหล่มล่องแล้วก็ ตายไปแล้วกับบอกมีปลาได้หูเขาจะไปหูจักกับเห็นแต่เป็นนอนล้มตายแต่บางองค์เขาว่าความดันสูงบางองค์เขาว่าความดันต่ํจาจ็คที่มันดันใดละ่ะดันจนเป็นมะลณาภาพพ้อนอ่ะแต่เนี่ก็ยังศพก็ยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวฉันยังหันแล้วจะได้ปรึกษากันว่าสิเหตุยังใด่ะแต่เป็นก็มาบวชที่วัดเท่านี่แหะ ภรรษากระหลายพอสมควรเลยภรรษาก็ปัญหนาจะทำกว่ายี่สคิดว่านะเปิดขนาดอายุมากแล้วาทายจะว่าไปคืมันปีเดียวกับหลวงพอ่ออายปุประมาณ7 0็ดสกว่าปีท่นมรณะเมื่อว่า น, นี่แต่จีเผาหมื่อใดก็ยังประธานหูจัก แต่หลวงพ่อก็เดี๋ยวจะได้ปรึกษากับพวกพระดูเป็นทุเกดอำเภอใดล่ะนาวัางงแต่อำเภอนาวังจังหวัดน้องบัวลำพูจากนี้ไปกะไก่พอสมควรอยู่เนี่ยฉันยังหันแล้วนะยังคอยที่ถามไทยบังว่าเหตุใดการตอนการปฏิบัติแต่หลวงพอ่อจะบริยูเลย มันเองหลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพคณะชาญญ า, าตย่วมลูกล้านพาเน่นพอหลวงพ่อได้นัดนั่นไว้แล้วก็คงจะท่ำไปท่ำธุระฟังฟังดูแล้วกย่าวยียดเลยหลายหลายอย่างแต่ก็ไปบกกี่มือหรอกอถ้าเป็นประด็กับสักสองสามมือก็คงจะกลับมาพอมันช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว อันนี้จากวัดจากว่านานก็คงว่เป็นผลดีพวกคณะท่าทายาติโยมกับเขามาสู่วัดอมันจะไก่วันทีหนึง่งะเดะอันนี้ก็วันทีเท่าไเหเมื่อเนี่ยวันทียี่สิบสามนะวันทียี่สิบสามวันทีหนึ่งมกราในก่อนที่จะถึงวันทีหนึ่งก็คงจะมีวันหยุดอเป็นวัน เทศกาลประจำปีวันสากลของโลกวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ที่โลกทัวโลกเขาให้ความสำคัญเวลาลงพอลงไปก็คงจะบ่นานแต่ลงไปยั้งเดี๋ยวกลับมาดจีวอาให้ลูกให้หลานได้ฟังลงไปยั้งแน่นะไปมองไหนแนนะ่แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตาม หลวงพ่อออกจากวัดหนีจากวัดแต่ละขังหลวงพ่อก็ไดบอกกาวสั่งเสียลูกหลานทุกคนพระศรัทธาญาติโยมให้ซอยๆกันเปิงวัดเปิงว่าเนะ้ออันนี้เป็นนาที่เหมือนกับพ่อแม่จีนีจากรบานจากรเงื่อนลักษณะจังสันแหละสั่งเสียหลูกตานให้เบิงหนาเบิงไฟเนะ้อให้เบิงหนองเบิงนงเนะ้อให้เบิงพีเบิงหนองเนะ้อ ไอ้เบิ่งหวงศาคนาดาติที่มาเกี่ยวของเนออันนี้กัลักษณะจังสันแหละที่หลวงพ่อจะออกไปแต่ละเทือกได้บอกได้กล่าวท่นหลวงพ่อยูยูกับหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบผู้ใดมากนพระกันจําเป็นกับพระก็เกินไปบอกหลวงพ่อบริบบผู้นั้นผู้นี้มหาหลวงพ่อก็เออเอาค่ะมีความจําเป็นกับหบีดวนก็เออเอาลงมาพบ กันบวรีบดว่วนเออเอาบ่ายสองนะเนอะตรงพอก็บอกพระไปแล้วบ่ายสองโมงจะลงม า, าพบกับศรัทธา ญ, ญาติโยมขูค่ค้นทุกคนค้นพ อ, อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นันบรับถึงประมาณเก่าโมงสิบโมงเนะี่ยหลวงพอก็บางที่ก็เกือบสิบเอ็ดโมงขึ้นกันก็หาดมองพัก a n หล่นตอนรับแขกมืดมือวดเว้นมันกระบอกแม่แนวคือเงาเนี่ยแหละผมมีเวลาพักพอนพู้นั้นมาก็หลับผู้นี้มากก็หลับหลวงตามหาบัวปัญวานี่หลับแขกรับคนมืดมือมัดเว้นมันเบาไหวเด้๋ก็คือกันกับนักมวยนะจิเก่งปนได้จีมวยเอกปนได้ก็ตามอ้ามวยเลียงง่วนเลียงไข่มวย นักมวยทงไฮทงหน้าขืนวัดเตีเ้ยวตีนักมวยเอกตีผู้นี้บาแผลกลับลงไปขืนผู้ที่สองวัตีเอกมันจะเอกปนได้ขะเอกต่อผลในสุดมวยเอกแพลมวยเลี่ยงควายขึ้นกันนั่นแหละนี่คือกันเฮาจะรับแขกมัดหมืองมัดเว้นมันแมนอยูุผู้นั้นมากกับสำคัญผู้นี้ก็มาสําคัญบันรามาเรามาฮอดแล้วจะมาหานางังอรับแขก มันีะดูในสักนามล่ะเดี๋ยวก็เป็นล่มข้อพับข้อแพบซนี่นราได้พักพรอเพราะนั้นหลวงพ่อจึงโห้าโอกาสพักพรจากช่วระยะหนึ่งจากนั้นค่อยมาคบกับชัดท่าญาติโยมเว้นเสียแต่ว่าชัดท่าญาตโนโยมที่มีความรีบร้วนจำเป็นอนันตก็พิจารณาเป็นกรณี พิเศษเป็นคนๆ้นไปเนี่ละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้อยู่กับวัดกับะ า, านิลูกหลานแต่วัดถึงอยา่างไรก็ตามที่หลวงพ่อได้ไปทำธุระออกไปทังนอกหลวงพ่อก็ได้เป็นห่วงอย่างที่ว่านนะ่ะเพราะฉะนั้นข้าวนี่ก็คือกันนะ่ะคอยะานิลูกหลานทุกอง สำรวมในศิลในวินัยในกฎระเบียบมีศีราจรวัตรมีฮิริโอตตะปะให้จักผู้จักผู้หน่อยผู้ใหญ่การกาละเทศกาการสถานทีบุคคลให้พวกเฮาอยู่น้ำกันให้เบิงกันให้ดูแล ก, กันนั่นละ่ะถึงพอลุงพอยูก็ตามลงพอบุยูก็ตาม ถึงหลวงพ่อจะตายไปแลว้วก็ตามฮะผวเข้าต้องพึ่งตนเองเอต้องประกอบคุณงามความดีบ่มนต่อหนาคูบายจา์เฮ็ดแบบหนึง่งรับหลังคูบาจา์เฮ็ดแบบหนึง่งต่อหนามูเฮ็ดแบบหนึง่งต่อหน า, าบ่ามีมูบ่มีมูมีเพินบ่บ่มีผลไดเห็นเห็นเฮ็ดอีกแบบหนึง่งเมื่อใดได้ผูจึงสั่นแปลว่าบ่าเชื่อกรรม บอ่อเสือกัมบอ่อเสือผลของกรัมกัมคืออย่างกัมคือการกระทํำบ่เม็นกัมคือบ่เป็นกัมปั่นกัมัดกัมวยบ่เม็นนี่ยกัมคือการกระทําการกระทํากำัมทําไรสามทา้งมโนกัมกคือแนวคิดมโนกัม ก, กายกรรมคือการกระทําวจีกรัมคือข้ามโพดคานวะขําพูดที่บดีต่อหนาคูบาจานัน รับหลังคู่บายจานต่อหนาผู้ขูนาคนมันกบฎีคือกับการกระทําคือกับการคิดคือกันเพราะนั่นอย่ามีทีหลับอย่ามีทีแจง้งให้ซื้อสัตว์สุดจริตต่อเจ้าของหลวงพ่อคยเปรียบเทียบว่าการทําความซัวกรรมซัวนะ่ะคือกันกับความซัวแห่ความซัวทำอยู่ไซมันก็คือความซัว กรรมดีคือกันเถี่ยงที่เข้าทําดีทําหม่งได้ก็คือทําดีกําดีคือกันกับเข้าปิดประตูดีๆอยู่ในห้องอยู่คนเดียวเข้าจับไฟบางทีมันหอนบอมันก็หอนเพราะใดเพราะมันเป็นไฟอันจับนําแข็งหรือจับนําแข็งเย็นบอมันก็เย็นเพราะมันเป็นนําแข็งอันนี้คือกัน ความสัวถึงจะรับท่ำในทีหลับท่ำในทีแจ้งท่ำในทีสาธารณะผมมีปลายหูปลายเห็นทำกมสัวมันกระสัวคือเก่าคือกันกับเพาะจับไฟอมันหอนอจับผมมีคข้นหูจับข้น ห, นหูมีคนเห็นมากข้นเห็นหน้อยจับในทีสาธารณะมันก็หอนพอเห็เลยม่อมันเป็นไฟ อันนี้คือการกำซัวอย่าทำเฉลยดีกว่าเมื่อทำกำซัวลงไปแล้วกรำซัวจะหาผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนคือกันเขาจับไฟนีอกันจับไฟหน่อยมันก็หอนหน้อยก็ถ้าอย่ามองมันก็พ่อที่ทำเน่าได้กันมันไฟลวกหลายๆมันบม่เป็นสั้นแล้วมันหามเขาลงพยาบาลมันพ่องหมดทั้งตัวเพอเพอตายอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะไฟลวกไฟไหม่ พอไปจับไฟไฟมันหลวกเ้าคองนี่แหละคำว่าไฟคำนี้มันห้อนอย่าทำจะเล่ดีกว่าทำแต่สิ่งทีง่มันดียูใสก็ตามให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบูรณ์คุณโศนเขาสู้จิตเขาสู้ใจให้หูจักวัจดจุดมุ่งหมายของเฮ้าที่เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาบวชมากคร่าวนีครั้งนี้บวชมากเพื่อยัง้งบอได้บวชมากเพื่อสสสแสวงหาล า, าภพายนดหาฉันละเสินหาสุขแบบโลกโลกทั่วๆไปกินเขาอิ่มนอนรับโมกคุยพูดคุยกันมีความสุขเพียงเทน่านันมันโมแมนเข้ามาสุขจังจันมันโมแมนเข้าหาความสุขสุขทั้งหลายสุขทั้งด้านจิตใจ เล่าเข้ามาบวชในคราวนี้เพื่อหาทางพ้นทุกเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกเพื่อละกิเลสละกิเลสราขะโทษสะโมห์ออกจากจิตจักใจของพวกเข้าอันนั้นคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหม่นของพวกเข้าแต่ถึงเข้าจะเดินไปท้งนั้นไปทางห น, น, นาก็จริงย่แต่เข้าก็ต้องอาศัยปัจจัยสีการโย่โดยการการ เอยู่รวมกันจังเหตุจังไหนมันจึงถูกต้องเหตุจังไหนมันจะเป็นธรรมเหตุจังไหนมันจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้พกเข้ากันตองได็คิดอีกคือกันเพราะว่าการอยู่ด้วยกันอบ่แม่ติดตามคนต่างอยู่ต่างคนต่างบกขิดบกอ่านอันนั้นก็พอได้อีกขึ้นกันจะอยู่จังไหนปัดกวาดทําความสะอาดขบมีบ่แม่ขบมี่วัดขบมีว่าขบมีกฎระเบียบในการอยู่ด้วยกัน อันนันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันอันนี้ปัดใจทั้งภายในอกเนี่ยซ้าลงซ้าลาปัดกวาดทําความสะอาดแบ่งนาทีกันทําให้เวลาวได้เวลาลงมาถ้ำนาทีปัดกวาดอย่าไปลบลบหลีกหลีอย่าไปห ล, ล, ลีกหลีเ ล, ลเล่นเด่นอันนี้คือนาทีของพวกเข้าเข้าเป็นผู้ใหญ่น้กากันมดแล้วควรจุกหูจักว่านาทีของเข้าคืดหยัง เอบอบ่อแมนทีเห็ดต่างหลี่ขี่ต่างเศร้าหลบหบหลีกหลีกอันหันบ่อใดใด้ต่างข้นต่างเห็ดจังตันจากเห็ดจังเข่าเห็ดเนะี่ยมันจะเปิดยังไงมันจะอยูท่ทากันใดบ่มันจะเป็นวัดว่าศาสนาบ่าอเพราะนั้นเขาทั้งหลายเขาต้องคิดเพราะเขาเป็นผู้ให ญ, ญ่แล้วอถึงเวลาถา้ำทําทําพร้อมกันด้วยความพร้อมเพียงสามขีของหมูคณะ เมื่อเลิกการทำงานก็นพร้อมกันเลิกเพราะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือกิจวัตรขอวัดประจําวันนะเพราะนั่นในพวกเข้านะื้อกูบาลใหม่คูบาเก่าทั้งหลายช่วยบอกกันบอกกล่าวกันคันบอกเรายังดันทุกร่างบอกฟั่งความบอกฟั่งความกันนะบอกมาบอกมาหาหลวงพ่อนะพราะหลวงพ่อเนะี่เป็นหัวหน้าเนี่ย เ, เป็นผู้รับผิดชอบ อ, องคไสดบอดีดอลูกศิษย์บอดีอเด็กลูกศิษย์เกเรขนาดนักเรียนเขายังลงไม่เลี้ยวมันบละอันนี้พระเน้นคึ้กันที่เขามาศึกษากับหลวงพอ่บอบ่ฟังใดจังใดเพราะเขามาศึกษ า, าเขามาศึกษาเพื่อม า, าเรียนรู้หลวงพ่อก็สอนสอนตามรักธรรมวินัยขันตัวเองรับบ่ใดบ่ปฏิบัติบ่ใดจะอยู่ใดจังไดหรือเปลาเนี่ ไหลออกจากวัดน ะ, พะ เ, ดเพราะเหตุใดเพราะปฏิ บ, บัติบวไรบทบบวย่อมปฏิบัติตามนาที่ตามลักธถ้ำวิ น, นัยพอผพูกเข้าอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยลักด้วยตามลักถ้ำลักวิ น, นัยลักจริยธรรมมีผู้หน่อยมีผู้ใหญ่พอวินัยก็มีอยู่แล้วอ า, อาจาริยวัดชัตทิ้งวิหาริกวัด อุปชายาวัรอันเตวสิกวัรเสนาสนาวัรขันตกุติวัตดขันทวัดเวจวัดมั่นมี่ั้งวัดทั้งส4บสี่ปุนะสิบสี่ขวัดให้พวกเข้าเบิ้งมาเลยพระพุทธเจ้าพันวันยัดไว้ตั้งสองพห้หสบเกปีให้เข้าปฏิบัติตามนั่นพเมื่ที่เข้าเขามาอยู่ ไปอยู่ประเทศามาเลเซาข้าวก็ต้องรักษากฎหมายของมาเลเซปฏิบัติตามตกฎหมายของมาเลเซไปอยู่ในอเมริกาข้าวก็ต้องรักษากฎ ก, กติกาของอเมริกาไปอยู่เมืองเล่าข้าวก็ต้องรักษากฎกติกาของเมืองเล่เอาอันนี้ข้าวไม่อยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในกฎระเบียบนี่เข้าวก็ต้องมีศีลต้องศึกษาในกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าจังไร เรื่องสินเรื่องพิษไน่เรื่องกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันนี่แหละเข้าอยู่ทุกเม่ว่าทุกนั่นแหละทุกศาสนาทุกวงการทุกบริษัททางร้านมันต้องมีกฎกติกาของเขาคือกันเพราะนั้นพอเข้ามาอยู่ในวัดว่าศาสนาเข้าจะอยู่แบบบม่มีกฎไม่มีกติกาอยู่แบบเลื่อนๆ ล, อ, นลอยๆบ่ฟังข้ามไป มันบ่ถูกทั้งนั้นแหละเพราะนั้นให้พะเนตลูกหลานไปอยู่นสถานที่ใดให้เบิ้งสำรวมระวังให้เขาเข้ารลบก ฎ, กฎกติกาของเพิน่นเพิ่นว่างไวจังใดปฏิกวัตทําความสะอาดเวลาเทวได้ไผมีนาทียัง้งแบ่งนาทีกันถ้ำนาทีนั้นๆพวกตียูเวนซาลากูเวนซาล า, เ, ลาเจ็ดมือเขออกไปผููเว น, นําหอนก็เวนนาหอน เอาเว้นตูแลของหนามของทาเอาเว้นเว้นปักวัตทําความสะอาดซาลาเอาเว้นรับแขกดูแลแขกคนผู้ใดทํำนาทียั้งยาห้ขาดตกบกพ่องเมื่อได้รับนาทีนั้นมาแล้วนะคณาว่าตัวเองบอ่ได้ทำเนี่แปลว่าบกพ่องนะบกพ่องต่อนาทีบ่ดีไปอยู่ใสกับบ่ดีเลยวัดลงไปอยู่กับพอกับแม่กับทะเลทะเล อยู่กับพีกับนองกับทะเลทะเลอยู่กับคู่บาอาจารย์กับทะเลทะเลอยู่กับบริษัทหางหลานกับทะเลทะเลมีขอกมีคั้วขึ้นมากกมิตรทะเลทะเลจะเป็นขอบเป็นขั้วจะเป็นฝึกแผ่นแน่ยนาใดจังใดเพราะขนบ่มีกฎบ่มีเกณฑ์ทะเลทะเลเพราะนั้นพวกเขาจะเป็นคนประเภทจังสันนะให้จริงจังและจริงใจเมื่อหมูโผกเพื่อนคู่บาอาจารย์มอบหน้าที่อหยังไอถ้าแล้วก็ทําำ ถ้าทำว่าใดก็บอกเพิินนะบอกเพิินว่าผมไม่มีความสามารถที่จะทําจุดนี้ได้อก็บอกเพิินขอร้องหรือว่าบอกเพิินเพลินก็จะหาหมู่หาเพลินมาช่วยกันท่า น, นมีหมู่มีเพลินมาช่วยผมก็ทําได้ยุให้ผมเป็นลูกน้องให้ผมเป็นหัวหน้าบ่าได้ก็บอกเองเพลินก็จะหาหัวหน้ามาให้เท่าก็เป็นลูกน้องซอยกัน ทีเฮ็ดยังก็บได้สักอย่างบอได้แล้วอันนั้นเป็นคือพาตายแล้วนะเฮ็ดยังก็บอเป็นเป็นตะกินเข่ากินเข่าน้อนอหาคุยหมูนะ่เออั น, นใดที่ได้เปียบหมูนะ่ะเป็นหัวหนาล่ำหนามูนะ่ะอันนั้นเป็นยังจันบอดได้อันนั้นแปลว่าเออยู่กับหมูบอได้แล้วนะอตรงไรต้องคัดแยกออกไป โมขวรจะอยู่กับมูมันเอาเปียกมูกันปูจังสันเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพอบวให้ฟั่งนี่การอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันตรงมีาสามารถครวะเป็นเบื้องตนคือให้หู้จักผู้หน่อยให้จักผู้ ใ, ใหญ่สถานะของเจ้าของเจ้าของเป็นจังไหนสถานะของเจ้าของเดียวนี้ เอาอยู่ในเป็นพระหน่อยบอกให้เป็นพระจังไรการเบิ่งเจ้าของอยู่นะหูจักสถานะของเจ้าของการว่างตัวมันก็ถูกได้ทานายเออกันกับหลวงพอ่อนะหลวงพ่อเป็นแน่นหน่อยหลวงพ่อก็เคยเลี้ยงมากเลยอยู่ก็เป็นเน่นหน่อยเฮ็ดจังไรในเมื่อเป็นคู่บาหน่อยก็เฮ็ดจังไรต่อมาก็เป็นคูบาใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ดูแลพวกน้องๆที่มากเขามา้ใหม่เขาก็ต้องได้ดูแลพวกห้องเป็นพระ มีอายุพรรษาหูจักกฎระเบียบแล้วต่อมาเขาเป็นผู้ใหญ่ออกมาเป็นสมพานเขาว่างตัวจังไรเนีเ่ยแล้วก็เมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกเหนือสมสมพานทั้งหลายก็เป็นหนองหนองของเข้าเขาก็ต้องว่างตัวขึ้นไปอีกฮะมันต้องเบิ่งจังจานเดะอมันต้องเบิง่งการไปอยู่กับพอ่อกับแม่ขึ้นกัน พอแม่เนี่เพ่นเให้ไปเพิ่นไปเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปบ่ได้มันบ่แมนวิจัยบ่แ ม, มนฐานะที่พอแม่จะไปเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ก็คือพอแม่ลูกผูยย้ใหญ่ขึ้นมากกับต้องรับมือรับมือของอรับมือของพ่อของแม่จยางนั้นกันนะั้นดูแลผู้น้องของขามากกับฟั่งกัน ผู้พีท่ายายกระตุยู่ในสถานหนึ่งผู้น่องล่องลงไปจนน่องชุดทองเฮ็ดยังไดมันก็ต้องเบิงกันอบุกในครอบครัวนั่นจึงจะร่มเย็นเป็นสุกนะในครอบครัวนั้นลูกแต่ละคนไปคนละทิศคนละทางนะมันบ่ได้แหละผู้พอเนี่ยไม่แต่งแต่ถือไม่ต่พดปา่าเฉพาะานั้นนะ ขู่เพราะพนัน้นจีใดจังใดจะหาความสงบรลมเย็ยนเป็นทุกใดจังใดครอบครั้วนั้นสแสดงว่าโมหะจักสูงโมูะจักต่ำโมูะจักสัมมาคารวะพรานันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาได้ยินเราศึกได้ฟังแล้วศึกษาแล้วให้ฟังเอาไว้แมันแมนบอนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้ฟังเนะี่ยมันแมนบอทีนะ่ข้าแม่นแล้วก็ต้องย่อมหลับเพราะมันแมน่นถูกต้อง นัมาประพูดปฏิบัติอขั้นมันบวแมนก็เออเาขั้นมันบวแมนก็ต้องนํามาบอกหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเนี่ยว้าเว้าวบวแมนดอกนะเฮาจะได้เว้าวหม่อีกคนอไปเฮาก็จะได้ทบทวนอแนะนําการแนะนําสั่งสอนของเฮาอีกแต่เฮามั่นใจเฮาปฏิบัติมาแล้วเฮาจะคอยมาสอนหลูกสอนลานสอนพระสอนเน้นของเฮา คันวายูปฏิบัติตามที่เห่าแนะนั่มซังซ้อนล่ะเห่าหมั่นใจว่าความรลมเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในชุ่มชนในกลุ่มของเห่าแน่นอนคันว่าออกนอกลูนอกทางเราหลวงพอมั่นใจเช่กันนะต้องแต่แยกสัมพัทธ์กันหาความสงบรลมเย็นเป็นสุขในหมู่ในขณะของเห่าบ่อใดแน่นอนเช่อกันนะอพอว่าบูมจักสูงโมจักต่ํา โบยจากสถานะของเจ้าของนี่แหละอันนี้เขาข อ, ขอให้พระเนรหลูกหลานทุกองหนะาศรัทธายานุ่มทุกคนออยู่ในกรอบของศีลธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปถึงลอยปีเดินทางคนต่างไปเห็นหลวงตาซักเปิ้งตายให้เบิ่งละ่ะอที่หลวงพอ่อวอลหลวงตาซักเปิ้งกัดตายให้เข้าเบิง่งนะเข้าจะตายยังสันบอเข้าจะตายขึ้นกันละ่ะไม่ได้แพรกันนะน้ำโกลกันไปตัแต่พุทธตเพื้นะ่ะ ข้าวนี้ตาข่าข้าวหน้าตาเองมันคนละตากันคนละข้าวกันเพรานั้นให้พวกเฮาประกอบคุณงามความดีเฮาไมีบุญพ่อเลยยังบุญกุศลเต็มจิตเต็มใจเต็มหัวใจเฮาเลยยั่งคุณงามความดีเต็มหัวใจเฮาเลยยั่งการบวชท่านเต็มนะกันั่นแหะพยายามสั่งบุญกุศลเขาสู่จิตสู่ใจของพวกเฮาว่าจิตใจของเฮามีบุญมีกุศลเฮากับภาคภูมิใจ ถือจะไปเวลาไหนก็พ้อมที่จะไปได้นะพาะให้ใจเพราะมีบุญกุศลในจิตในใจอุ่นใจนะอุ่นนะไอ้จะนน่ดำมันหองขึ้นมาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วลงพ่อ่าเอาหลับพอน้มาในเน่า